คอลัมน์ธรรมะปฏิบัติธรรมะใกล้ตัวฉบับที่8ตอนการปฏิบัติธรรมเป็นของง่ายโดยสติมาครูบาอาจารย์ต่างกล่าวว่าการปฏิบัติธรรมเป็นของง่ายแต่สำหรับเราแล้วเรารู้สึกเสมอว่าเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องต้องศึกษาเป็นเรื่องต้องอดทนเป็นเรื่องต้องขวนขวายทาเราคิดอย่างนี้เสมอเสมอ และเห็นว่าเป็นเรื่องยากลำบากสำหรับเราซึ่งเกิดมาในสังคมเมืองเคยอยู่แต่ในสภาพแวดล้อมที่สุขสบายนอนแต่ห้องแอร์อาบน้ำอุ่นนอนเตียงนุ่มๆแต่เมื่อไปฟังพระป่าท่านเทศเรื่องการอยู่ป่าการบำเพ็ญเพียรจิตใจที่อาจหารต่อธรรมเรากลับรู้สึกพึกเผิ่มเหมือนได้ปลุกใจให้ออกไปรบซึ่งก็ขำๆตัวเองว่าจะไปรบกับใครที่ไหนเหรอกิเลสไงคาตอบบอกแบบนั้น และเราเนี่ยเหรอจะยอมไปทุบทรมานในป่าในเขาบําเพ็ญเพียรแต่ก็เกิดลูกฮึดที่จะลองสู้ดูลองไปอยู่ปฏิบัติภาวนาคนเดียวไปป่าไปเขาบ้างลองอดข้าวดูบ้างไม่ใช่อดแค่ในสินแปดหรอกนะลองอดดูเลยเกือบเดือนจะได้อยู่แล้วถ้าไม่โดนญาติพี่น้องที่ทราบกลุ่มใจไปกับเราหรือที่แท้กลุ้มใจแทนเราเพราะเห็นเราไม่ยอมทานอะไรนานขนาดนั้น ทั้งๆ ท, ที่เราก็ทานน้ำเต้าหู้ไอติมบ้างนะแค่เว้นอาหารเป็นมื้อจริงจังแต่ถ้าถามว่าเราได้ผลหรือเปล่าในสไตล์ลูกฮึดของเรานะ่ะได้อยู่เหมือนกันแต่ไม่ตรงประเด็นขอบอกเพราะความเป็นจริงแล้วการที่เราปฏิบัติธรรมนั้นจุดมุ่งหมายของเราคือให้รู้จักทุกซึ่งที่เรารู้สึกกันจริงๆในขณะนี้นั้นมันแค่เราเป็นทุกจมไปกับทุกตัหาก เราไม่ได้รู้จักทุกข์ตามที่พระพุทธองค์สอนเลยแม้ว่าจะลองทําสถานการณ์ให้มันทุกขด้วยการไปบปําเพ็ญเพียรต่างๆก็ตามแต่ถ้าเราไม่เห็นว่าทุกขคืออะไรแต่กลับจมไปกับมันก็ทําให้เราไม่เห็นทุกข์อยู่ดีแล้วทําอย่างไรล่ะเราทําตามที่ครูบาอาจารย์ท่านเล่าท่านบอกกล่าวมาแล้วนี่นาไม่เห็นจะเห็นตามความเป็นจริงสักทีกว่าจะมาถึงบางอ้อได้ก็ใช้เวลาไปไม่ใช่น้อย ไม่ใช่อะไรอื่นเลยเพราะความที่เราดือ้อหรือโง่นั่นเองเราฟังทรรมนึกว่าเข้าใจแต่มันเป็นเพียงความเข้าใจในระดับหนึ่งซึ่งยังไม่ใช่ความเป็นจริงแท้จริงแล้วเราเพียงแค่เจริญสติสัมปชัญญะไปแค่นั้นเองของที่ง่ายเสียจนยากเพราะง่ายจนยากเพราะคิดไม่ถึงเพราะไม่มีปัญญาพอแต่มาถึงขนาดนี้แล้ว ก็อยากบอกทุกคนที่อาจจะเข้าใจได้ว่าที่แท้คําว่ามัชิมาปฏิปทาสติสัมปัชัญญะสับอะไรก็ตามต่างไม่สําคัญสําคัญว่าสิ่งที่เราต้องทำง่ายๆก็คือมีจิตใจที่เป็นกลางมีความรู้สึกตัวและรับรู้ทุกอย่างอย่างธรรมดาธรรมดาเพียงเท่านี้เองและเพียนที่จะดูเพียงที่จะรู้กายใจของเราเองอย่างละเอียดรอบข้อไปเรื่อย เพียงเท่านี้เองเราก็จะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสมกับคาว่าพุทธะหลายๆคนก็ยังสงสัยว่าแค่ตามรู้กายใจไปมันจะได้อะไรมันไม่น่าเชื่อเลยว่าเราไม่สามารถระลึกกายใจเราอย่างที่ว่าได้จริงหรืออดทนรู้ไปก็ทำได้ไม่นานเราก็จะถูกโลกหลอกให้ไหลไปกับความคิดกับการกระทำ มีชีวิตไปวันๆกับสิ่งต่างๆอย่างไม่คิดจะงโงหัวขึ้นมาดูกายใจตัวเองเลยรู้ก็รู้แบบจมกับมันคือรู้ชนิดไม่มีสัมปะชัญญะเพราะเมื่อใดก็ตามที่เรามีความรู้สึกอยู่กับตัวเองมีใจเป็นกลางกับทุกสิ่งเราจะเห็นว่าสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเท่านั้นเราจะทุกข์ก็เมื่อเราเข้าใจอะไรผิดสักอย่างหนึ่ง ความเข้าใจผิดนั่นเองคือการไม่มีปัญญาที่จะเห็นความเป็นจริงนั่นเองฉะนั้นการตามรู้กายใจของเราอย่างเป็นกลางจะทำให้เราสามารถเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราอย่างที่เรียกว่าตามความเป็นจริงและความเป็นจริงนั่นเองไม่ว่าในระดับใดๆก็ตามมันล้วนถอดถอนเราออกจากความโง่ความไม่รู้และทำให้เห็นเหตุที่ทำให้เราทุกข์ได้อย่างแท้จริง ทำให้เราสามารถทุกได้น้อยลงทันทีที่ปฏิบัติและจนถึงขั้นทนทุกได้จริงจังนี่เองที่ครูบาอาจารย์ท่านถึงกล่าวว่าการปฏิบัติธรรมเป็นของง่ายอาตาปีสติมาสัมปะชาโน